เป็นหวัดทต่าเออเป็นหวัดเออย้ายที่นั่งเกิดเดกยวหนาที่แซ่งๆออกนะห่างหรูพอนิดนึงแล้วก็ไม่มีผูกตั้นทานไม่ใช่ผูกตั้นานบุกรองนะ ที่จริงหมอก็จะไม่ให้เทศด้วยซ้ำไปหลวงพ้อไปต่อรองบอกว่าจะคอยระวังใครเป็นวัดอะไรเงี้ยขอความร่วมมือไม่เข้าศาลาเป็นเจราจารเขาไว้เราก็ได้ยอม สูอายุจะมาไฟฟ้าแรงสูงครับ <laughs> เสิร์ชเครื่องเราดับเลยใครจะส่งกันบ้างคนอยู่วัดเอาไว้ส่งพวงนี้ก็นะั้นเฉลี่ยให้คนเเข้ า, านะึยี่สิบสามเบอร์สิบเบอร์ยี่สิบสี่เบอร์สิบสองเบอร์ยี่สิบเจ สิบเจ็ดตัวแปดเอาเท่านี้ก่อนยี่สิบสามวิธีส่งไปบ้านกะับหลวงพ่อนะไม่ต้องเล่าอะไรยาวหรอกส่วนทรพจน์ก็ไม่ต้องนะขอบคุณไม่ต้องขอขามาไม่ต้องอะไรเงี้ยนะเสียเวลาอดีตไม่เอาปัจจุบันนี้เป็นยังไงนะอ้าไป กับพิธีมรดกของพ่อนะคะก็มาส่งกันบ้านครั้งแรกค่ะก็ที่ผ่านมาเริ่มปฏิบัติได้2องเดือนนคะแล้วก็อาศัยฟังยูทูบเขากอยากจะเรียนถามว่าที่หนูทำมาถูก <ๆ S 1> แต่ตอนนี้จิตไม่ถึงฐานเต็มที่รู้สึกไหมมันกระจายออกข้างนอกให้รรวบ เรารู้สึกอย่างน้อยก็รู้สึกอยู่ในร่างกายไม่ให้จิตมอนไหลเพลินเพลินออกไปรู้สึกตัวใช้ได้ใช้ได้สองเดือนทำได้อย่างนี้เก่งนะอยากจะรบกวนขอบกันบ้างนะคะที่ทำอีกที่ทาอยู่นี่ทำถูกแล้วขอบคุณค่ะนี่เพิ่งมีเด็กสิบขวกแม่เขาส่งข้อมูลไปที่ธรรมะดับของชมพู่เขามาให้ดู เ, เด็กสิบววบนะเป็นเด็กเหม่อลอยขี้มโมโหเรียนหนังสือไม่รู้เรื่องมีพนากับเพื่อนทะเลาะกับเข้าไปทั่วเป็นแบบวุ่นวินันรวมแล้วมีเรื่องไม่ค่อยดีหลายอย่างแม่ก็ไม่รู้จะแก้ยังไงนะใช้วิธีเปิดซีดีหลวงพ่อขึ้นรถก็เปิดซีดีขึ้นเครเปิดซีดี ผ่านไปช่วงหนึ่งวันอาทิตย์ไม่ได้ขึ้นรถ อ, อยู่บ้านลูกก็บอกให้ช่วยเปิดซีดีหลวงพ่อหนะ่อยแม่ก็รู้สึกขึ้นแล้วเด็กคนนี้พฤติกรรมเปลี่ยนเด็กนี้เล่าให้แม่ฟังบอกว่าวันหนึ่งเรียนหนังสืออยู่แล้วเห็นว่ามันเมอเห็นตัวเองเมอนะก็รู้สึกว่าเมอนี้ไม่ดีเลยเนี่ยเรียนหนังสือก็ไม่รู้เรื่องอะไรก็ไม่รู้เรื่อง พอรู้ทันเบมือนะแล้วใจมันไม่เอาเหมือนนะมันขาดเลยความเหมือเนี่ยขาดสมาธิเกิดขึ้นเลยแล้วเวลาเพื่อนมาว่าโกรธเห็นความโกรธพุดขึ้นมาความโกรธก็ดับเรียนังสือก็รู้เรื่องชีวิตนี้ดีขึ้นทุกด้านเลยเขาถ่ายรูปมาให้ดูด้วยแม่เขาบอกว่าเนี่ยลูกก็เปลี่ยนไปหมดแล้วให้ดูที่แววตา แม่ดูจิตไม่เป็นนะแม่ดูหน้าดูตาบอกเนี่ยแววตาเขาเปลี่ยนไปได้เดิมนะเด็กเนี่ยแววตาพขาเสเศร้าเศ้าเศร้าแล้วเครียดแล้ไม่มีความสุขเปลียนเป็นเด็กที่ร่าเริงรู้ตื่นเบิกบานสว่างสวัยดีบอกแหมธรรมะอัศจรรย์มากบอกธรรมะของพระ เ, เจ้านะใจของหลวงพ่อบอกธรรมะหลวงพ่ออัศจรรย์เนี่ยไม่ได้นะย เป็นธรรมาที่เปลี่ยนคนได้จริงๆองค์โนสองเดือนทำได้อย่างนี้ถือว่าใช้ได้นะดีเบอร์สิบอยู่ไหนเบอร์สิเบอร์สิ ฉุนรุดเนื้อสงสัยระบบมันเสียพูดอะไรกันมึงอรรถน้ัมศ ก, การครับหลวงพอ่อมผมฝึกปฏิบัติมาได้3เดือนนะครับแล้วทีนี้เห็นกิเลสของตัวเองเยอะดบวกกับโทสะครับ และเป็นคนที่มีความจำสั้นนะครับหลวพอคือผมไม่ทราบว่าปฏิบัติรูปแบบไหนถึงจะถูกกันจริตของตัวเองนะครับที่ปฏิบัติคอยดูจิตเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนี่ถูกแล้วนั่นเราไอยรู้ไปดูความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงทำถูกแล้วล่ะไปดูอีกวยยี่สิบสี่สาธุรางสักการครับหลวงพ่อ เท่งเ่าเท่งอยู่ไหมตอนนี้ตึงเต้นครับเต้นๆตึงเต้นๆเราเลยบังคับมันหน่อยนะเนี่ยแน่นๆอยูารไปนิดหนึ่งผมผมก็นแหละผมฟังยูทูบครับต้งมาวันนี้ครั้งแรกครับใช่ได้นะแล้วก็คือผมก็ลองทํามาแต่ผมจะมีความสงสัยว่าคุณเหมือผมเอยกใหม่นิดหนึ่งเหมือนผมเห็นการกับใจแยกกันผมอยากทราบว่าผมผูกหรือเปล่าเห็นถูกครับแล้วหลวอแนะนําผมยังไงบ้างครับ เราแยกได้แล้วแยกขันได้แล้ว ร, รู้สึกไหมความรู้สึกทั้งหลายกับจิตก็คนละอ่านกันครับเมนะืนะ่อขันเราแยกแล้วนะต่อไปนี้มัน ร, รู้สึกตัวเรื่อยๆครับ<ๆ>ร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวคอยรู้สึกรู้สึกไปเรื่อยๆแล้วต่อไปปัญ ญ, ญามาันจะเกิดอยรู้สึกเมื่อทุกอย่างเนี่ยชั่วคราวเกดแล้วดับอันนี้ไม่ต้องคิดเอานะค่อยรู้สึกตัวไปฝึกมานานเท่าไหร่ จำไม่ได้ครับแต่น่าจะเริ่มเมื่อต้นต้นปีนะครับต้นปีทําได้ขนาดนี้เก่งนะลงเสร็จรุ่นเก่าๆเานี่ยประจานซะหน่อยเรียนมานานนักหนานะเรียนแล้วไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ได้ผลนะเพรมันคิดเดยอะคิดว่าทํายังไงจะถูกอะไรเงี้ยเลยไม่ถูกสักทีพอหัดใหม่นะไม่ได้คิดมากค่อยรู้สึกเอารู้สึกเอาแป๊บเดียวแป๊บเดียวจีดออกนอก รู้สึกไั้รู้สึกไั้อย่าให้เสียชื่อนะเมื่อสิบสองนอนอยู่กลางกลางห้องดูตัวเองนะดูตัวเอง แควดูคนเดิน6เดือนที่ผ่านมาเหมือนปฏิบัติแล้วติดอยู่ในอะไรสักอย่างจิต<ะ>ที่เศร้ามองไหมให้รู้ทันนะจิตแล้วไม่เป็นกลางงั้นสภาวธรรมใดๆก็ไดนะ้ไม่เลือกนะสภาวดีก็ได้ชั่วก็ได้สุกก็ได้ทุกข์ก็ได้แต่ทุกๆสภาวะที่เกิดนั้นะ ถ้าใจเรายินดีรู้ทันใจเรายินไลให้รู้ทันงั้นอย่างขณะ น, นี้ใจเรายินร้ายต่อสภาวะนะให้รู้ทันว่ามันไม่ชอบหรอกมันอยากดีเรารู้อย่างนี้นะใจจะเป็นกลางแล้วต่อไปเราจะเห็นว่าสภาวะทั้งหลายเนะี่ยเราบังคับมันไม่ได้มันไม่ใช่ตัวเรามันมาเองมันไปเองมันเปลี่ยนแปลงของมันเองเราบังคับไม่ได้ตัวนั้นเป็นตัวปัญญาเราจะฝึกจนกระทั่ง วิปัสนาปัญญาของเราเกิดเี่เราเห็นความจริงเราบังคับอะไรไม่ได้เลยเนี่ยพี่พี่ชายหลวงพ่อเป็นคนชั้นสูงสูงมากหลวงพ่อแนะนำให้ดูให้รู้กานใจที่ไม่ชอบ ใจหยาบดีให้รู้ทันตัวนี้ไปวันยี่สิบเจ็ดพวกเราภาวนาไม่ได้มีปัญหาอะไรมากแล้วนะถึงวันนี้มันง่ายๆยแล้วมีปัญหาสมัยแรกแรกอะสติมันไม่เกิดไม่รู้จักว่าสติเป็นยังไงก็นั่งเทงนั่งจ้องไปปัญหาถัดมาสมาธิไม่มีมีแต่มิจฉาสมาธิเทงเอาเฉยเฉยนิ่งน่งซึมซึซไป สมา ท, ที่จิตตั้งมั่นรู้เนื้อรู้ตัวไม่มีเลยปัญญาเกิดไม่เป็นเราไม่สามารถมีสติรู้สภาวธรรมด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางได้ปัญญาไม่เกิดเราก็คิดนอกคิดเอาไม่ใช่พิปัสนาปัญญานี่ตอนนี้พวกเราส่วนใหญ่เนี้ยผ่านจุดเหล่านี้มาแล้วสติเราเกิดได้เองอย่างร่างกายเคลื่อนไหวเรารู้สึกได้เองจิตใจเราเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเรารู้สึกได้เองนี่สติเกิดแล้ว สติเกิดแล้วเราก็แยกขันนะเห็นร่างกายเคลื่อนไหวจิตเป็นคนดูจิตใจเคลื่อนไหวจิตก็เป็นคนรู้คนดูเมื่อคอยฝึกอย่างนี้เรื่อยนนๆต่อไปปัญญามนจะเกิดมันจะรู้ว่าทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาให้จิตรับรู้ใม้เที่ยงบังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวเราพอปัญญาเกิดแล้วเนี่ยจิตจะปล่อย ปล่อยางความยึดถือในรูปนามกายใจมั้นรู้ตามความเป็นจริงนะเขาเห็นตามความเป็นจริงจริงเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงใคราความยึดถือเพราะคลความยึดถือจึงหลุดพ้นจะรู้ด้วยตัวเองจิตที่หูุดทำมาแล้วจิตของเราตอนนี้ไม่หลุดมันเข้าไปก่อนแล้วก็รู้ว่ายังเกาะ อ, อยู่เกาะอยู่ยังทุกข์อยู่ก็รู้ไปฝึกไปเรื่อยๆยี่สิบเจ็ดมายี่สิบเจ็ดอยู่ที่ไหน เอาบ้าไปไม่ดังหรือมันไม่ดังมันดังตัางไม่ดังแล้วมันไม่ชอบเรามัง้ง <c oughs> เอาพูดไปอ่ะพยายามคิดว่าไม่ไม่มีสมาธิค่ะแล้วพยายามฝึกอ่าดูดูตัวเองหายใจดูร่างกายหายใจก็ใช้ได้นี่อ่ารู้สึกว่าทุกทุกลมหายใจเข้าออกที่เราสังเกตมัน มันมีความผิดพลาไม่ไม่โปรถ้าเราจงใจสังเกตถ้าเราจงใจสังเกตตั้งใจสังเกตมันจะหรืนอนามันจะแน่นนะแน่นขึ้นมาเราก็รู้ทันะยิ่งถ้าเราเห็นว่ามันจงใจจะไปดูนะรู้ทันต้นต่อความจงใจไม่มีมมก็ไม่แน่นทําไม่ได้เบื้องต้นก็เป็นอย่า ง, งอนอางั้นเลยเบื้องต้นมยนจะตึงเกิดไปนิดหนึ่งเป็นทุกคน่ะ เราก็อดทนสังเกตเอาเราโลภนั่นแหละมันถึงแน่น<ม>อยากดูอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากได้ก็เยิ่งอึ่นัดจะแน่นขึ้นมาเห<ม>็นตอนนี้ใจลอยแล้วทราบไหมทราบค่ะก็ใจดีไปคิดงั้นแต่ละวันนะเราก็หายใจไปพุทโธไปในใจไปแล้วก็จิตหนีไปคิดเราคอยรู้ปึกอย่านี้ได้วยไม่ต้องห่วังว่าจะดีเมื่อไหร่ ต่อไปพเราชนานขึ้นมาพอจิตเคลื่อนนี้เดียวเราก็เห็นเลยแล้วตรงนี้เราเดินปัญญาต่อได้เลยเราจะเห็นว่าจิตเคลื่อนได้เองแล้วพอเรารู้จิตมันก็ตั้งมั่นได้เองจิตตั้งมั่นก็ไม่เที่ยงจิตรู้จิตจิตหรือลงไปก็นอกอ่ะจิตไหลไปคิดก็ไม่เที่ยงะเห็นว่าจิตทุกอย่างก็ไม่เที่ยงดูไปเรื่อยๆแล้วก็ปัญญาจะเกิดเห็นใจรักเนี่ยตอนนี้จิตมีไปคิดอีกแล้วทราบไหมค่ะ เนี่ยอัดบ่อยๆนะหายใจไปแล้วจิตนี้ไปคิดเนูรู <And> fore, wo way, in ้แต mm ่ถ hmm. ้าหนูหายใจแล้วหนูพยายามจะไม่ให้จิตนี้ไปคิดหนูจะแน่นังนั้นเราโลภเราอยากจะดีเราอยากจะดีนะจิตเชอุ่านเพราะฉะนั้นอย่าเป็นโลภเอาแค่ว่าหายใจไปจิตนี้เรารู้จิตนี้เรารู้ไม่ห้ามหนีก็ได้หนีแล้วรู้ไวเท่านั้นแหละที่หนูพยายามจะห้ามพยายามจะรู้สึกตัวตลอดเวลามันก็เลยอุทนอร์สิบเจ็ด อยู่ที่ใดในมรรคการหลวงพ่อค่ะเคยปฏิบัติธรรมที่ไหนมาก่อนดีอย่างนั้นดีนี่อยู่บ้านปฏิบัติธรรมเนี่ยเออรู้สึกการสังเกตหรือเปล่าว่าใจเราตอนนี้กับแต่ก่อนไม่เหมือนกันดูออกไหมดูออกบ้างใจเราตอนนี้มันสบายมันโล่งขึ้นรู้สึกไหม เนี่ยเราสังเกตไปนะเราคอยรู้ทันใจของเราไปเรื่อยต่อไปเราก็จะเห็นใจนี้เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเดี๋ยวบางทีก็สุขบางทีก็ทุกข์บางทีก็สงบบางทีก็ฟุ้งซ่านรู้สึกไหมว่าในวันเดียวกันเช้าสายบ่ายเย็นจิตใจเราก็ไม่เหมือนกันตัวนี้ดูออกไหมไม่ค่อยทันคม้ทันก็ดูไปเรื่อยแต่ละวันความรู้สึกก็ไม่เหมือนกันรู้สึกไห ม, ไมบางวันปลอดโปร่งบางวันเศร้าหมองอะไรเงี้ยบางวันเครียดนะ เนี่ยเราก็ดูแต่ละวันเนี่ยจิตเราไม่เคยเหมือนกันแล้วต่อมาเราก็หาดูให้ละเอียดขึ้นในวันเดียวกันนะตอนเช้าจิตใจเราปลอดโปร่งตอนสายจิตใจเราเป็นอย่างนี้ตอนกลางวันจิตเป็นอย่างนี้จิตใจเราแต่ละช่วงเวลาเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆไม่เหมือนกันอย่างบางคนนะถ้าอยู่ในวัยทำงานตอนเช้าเนี่ยเป็นเวลาเลือกรัทุรทุราย ร, ายรีบร้อนรู้สึกไหมเร่าร้อนจะต้องรีบไปทางานเนี่ย ่คะหรือว่าตอนเย็นงานเสร็จแล้วนะอยากกลับบ้านเร็วๆฝนก็ตกรถจะติดด่าฝนแล้วฝนก็ยังไม่หยุด <c oughs> บนคอทมทาน้าท่วมที่เป็นคอทมอก็เพราะน้าท่วม <c oughs> เขาเลือกมาอยู่ตรงนี้เพราะว่าน้ามันท่วมได้ศัตรูมันจะได้มาอยู่ไม่ได้ <c oughs> งั้นเราอยู่คอทมอน้ำท่วมเราอยากให้มันไม่ท่วม ใช่เราตอนเย็นอยากกลับบ้านาเร็วๆฝนมันต ổi, ่อยหุ่นหิดหุ่หหินรู้ว่าหุ่นหินไปถึงบ้านได้เหนื่อยเบื่อเต็มทีแล้วแต่ละวันเหนื่อยแล้วเืก็รู้ทันว่าใจมันเบือ่อเนี่ยเคยรู้ทันความรู้สึกของเราไปความรู้สึกของเรานะเช้าสายบ่ายเย็นกลางวันกลางคืนอนะไรเนี่ยไม่เคยเหมือนกันเลยในวันเดียวกันแนละ้เปลี่ยนอยู่ตลอดเวลานะต่อไปเราฝึกชํานาญขึ้นเรามาดูให้ละเอียดขึ้นอีกแต่ละขนาด ความรู้สึกของเราไม่เหมือนกันในขณะที่เรามองเห็นเราเห็นคนนี้เราดีใจเราเห็นคนนี้เราเกลียดเราเห็นหมาสวยมาเราชอบเราเห็นหมาขี้เลื้อนวิ่งมาหาเราเราขยะนขยแยงเห็นหมาบ้าวิ่งมาหรบหลัวความรู้สึกมันเปลี่ยนตามองเห็นความรู้สึกก็เปลี่ยนหูได้ยินเสียงความรู้สึกก็เปลี่ยนจมูกได้กลิ่นลได้รสกายได้ทบสัมผัสใจคิดจิตก็เปลี่ยนงั้เราไปรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของใจเราให้บ่อยๆ ไม่ได้ไปบังคับขอนะดูเรื่อยๆไปของโยมจะมีจุดอ่อนอย่างหนึ่งคือฟุ้งซ่านมากจิตม่จะฟุ้งซ่านเก่งมันจะแอบไปคิดนั้นคิดนี้เรื่อยๆเพราะฉั้นหายใจไปหายใจไปพุโทโธไปเรื่ อ, อยๆแล้วไปรู้ทันจิตไปเรื่อยๆหายใจเข้าพุทหายใจออกโธนะถ้าจิตสงบก็รู้พุโทโธไปจิตฟุ้งซ่านก็รู้คืออย่างนี้เรื่อยๆสมาธิจะได้เพิ่มขึ้นเบอร์แปด มาสการเจ้าค่ะหลวงพ่อว่าไปมาเห็กันบ้างครั้งแรกคะคะดีหลวพ่อเบื่อพวกส่งครั้งที่ร้อยอะไรเนี่ยเบื่อมากคือหนูมีปัญหาสงสัยมากตรงที่ว่าก่อนหน้านี้ประมาณเดือนกรกตดาคมไปปฏิบัติธรรมแนวขอไม่ต้องไม่อชื่อเขานะเจ้าค่ะประมาณสิบเจ็ดวันเจ้าค่ะแล้วก็มีการกําหนดอยู่ตลอดกําหนดพองยุคแล้วก็กําหนดแบบเห็นหนออะไรเงี้แต่ว่ารู้สึกคือทอนหลังจาก คือก็รู้สึกว่าตอนช่วงปฏิบัตินั้นกับตอนกลับมาอยู่ที่นี่ก็รู้สึกว่าจิตใจเจริญขึ้นมากเห็นรู้สึกว่าจิตใจตัวเองตั้งมั่นเข้าฐานแล้วก็เห็นมันเกิดขึ้นระดับไปเองแบบว่าเห็นว่ามันทํางานเองเจ้าค่ะแล้วก็รู้สึกว่าศีตัวเองดีขึ้นมากแต่ว่ามีข้อสงสัยมากๆตรงที่ว่าคือคือฟังเทปของพระอาจารย์แล้วพระอาจารย์บอกว่าการกําหนดมันคือการแบบว่าเพ่งมันเป็นมันยังไม่ใช่ทางเจ้าค่ะแต่ว่าก็รู้สึกว่าตัวเองก็ ดีขึ้นก็เลยสงสัยว่าสิ่งที่ปฏิบัติไปแบบนั้นถูกหรือเปล่าควรไปควรไปปฏิบัติต่อหรือเปล่าเจ้าคะถ้ามีเวลาลองไปสัมภาษณ์ป้าุญเยาวนะป้าเยาเนี่ยเป็นอาจารย์สอนวิชาที่หนูไปเรียนเนี่ยแ <c oughs> ะเปป้าเยาว์สายน้าคเลยแล้วที่ที่นูนนโนสังเกตไหม <c oughs> ว่าใจของเราขณะนี้เป็นยังไงใจของเราปรกติไหมขณะนี้ ไม่คยพบกันเดีนะให้รู้ทันนะเราจะฝึกพองยุคก็ได้พองยุคไม่ได้ผิดอะไรที่ผิดก็คือระวังจิตของเราไม่ถูกอย่างเรากําหนดพองยุคแล้วทําได้โลภะอยากจะกําหนดแต่ละเวลาอยากจะไม่เผลออะไรเงี้ยจิตมีโลภะให้รู้ทันแล้วจะดูพองยุคไปก็ได้แล้วก็คอยรู้ทันจิตที่เปลี่ยนแปลงอย่างนั้นใช้ได้นะ ส่วนการที่เราไปฟังยุบเราคำนอนแล้วจิตมัน น, นิ่งแล้วมันก็รู้เนื้อรู้ตัวเราบอกรู้สึกตัวรู้สึกจริงเราจิตใจเราดีขึ้นไม่ทำผิดศีลจริงแต่ว่ามันจะ น, นิ่งนิ่งมันจะไม่ค่อยเห็นใจรักหรอเจะนิ่งแล้วไม่เห็นใตรักเพราะงั้นจะไปสวรรค์ได้นะไปสวรรค์ได้แต่มักจะไม่ไปนิพพานถ้าอยากไปนิพพานนะ ปล่อยให้รูปนี้ทํางานแล้วมีสติะระลึกรู้อย่างที่รูปเป็นปล่อยให้นามนี้ทํางานแล้วระลึกรู้อย่างที่นามเป็นตัวที่เราไม่เข้าไปแทรกแซงถ้าเราเข้าไปแทรกแซงแล้วจิตใจจะนิ่งๆเหมือนรู้ตัวแต่มันจะมีน้ําหนักเกิดขึ้นในใจใจจะหนักอยู่นิดหนึ่งนะถ้าบังคับมากๆมันจะหนักมากแล้วถ้าฝึกมากๆหลายสิบปีนะมันจะนิ่งไปเลย ต่นหลวงพ่ออยู่เมืองการมีคนหนึ่งเข้าไปหาแม่ชีท่านหนึ่งแล้วก็มาเล่าให้ฟังบอกว่าเขาฝึกมายี่สิบถึสามสิบปีเนี่ยแล้วก็พบว่ามันนิ่งอยู่เฉยๆมันไม่ล้างกิเลสหรอมันสงบอยู่เฉยๆมันเป็นคนดีนะไม่ใช่เป็นคนเลวบอกที่ฉันรู้สึกว่าเนี่ยถูกหลอกให้ปฏิบัติไปเรียน คุณแม่ชีท่านนั้นบอกดิฉันถูกหลอกมาสามสิบปีคุณแม่ชีบอกค่าถูกหลอกมาหกสิบปี <c oughs> ทาไมเรียกว่าหลอกเพราะว่านึกว่ามันดีสุดท้ายจิตไปอยู่ในความนิ่งความว่างงั้นเราไปฝึจกจนกระทั่งจิตมันนิ่งว่างอยู่เฉยๆมันไม่เป็นธรรมชาติจริงถ้าท่านสวัสแล้ว อย่างนี้คนที่นู่นที่เขาบอกว่าได้มรดกได้ผลยังคือยังไม่ใช่ของจริงเหรอเจ้าคะหลวงพ่อไม่พิจารณานะ <c oughs> <c oughs> เราไม่ตอบคําถามขององสํานักอื่นนะฉนั้นอย่างนี้ก็คือก็ไม่ควนไปแบบหลวงพ่อไม่ตอบอย่างนั้น <c oughs> ถ้าหลวไปอย่างหลวงพ่อนะไปฝึกกรรมฐาะนอะไรก็ใช้ได้หมดเลยเพราะหลวงพอมีสติที่ถูกต้องมีสมาธิที่ถูกต้องรู้จักการเจริญปัญญาที่จริง งั้นทำกรรมฐานอะไรจะทำพองยุคทำพูดโทรทำนามาปะาทาหลวงพ่อทำได้หมดอ่ะแล้วก็ถูกทั้งหมดเลยงั้นไม่ใช่ว่าวิธีของเขผิดนะไม่ใช่อารมณ์กรรมฐานอย่างนั้นถูกอารมณ์กรรมฐานอย่างนี้ผิดปัญหามันอยู่ที่เรามีกิเลสเราเห็นไหมอย่างเราทำด้วยหลวงพานี่อยากเป็นพระอริยะนี่ยุคนี้ยังไม่เท่าไหร่นะก่อนนูเกิดอนะ่ะเข้าคอร์สแบบนี้นะ วันสุดท้ายแจกประกาศนิยบัตให้เลยว่าได้ได้ได้ยานเท่าไหร่ได้ยานสิบหกได้ยานสามสิบสองนะจนถึงได้ยานหกสิบสี่นี้ล้อเล่นนะเขามีสิบหกยานแต่ได้หลายวนได้หลายครั้งได้สี่ครั้งเป็นพระอรหันต์กลับมาบ้านเริ่มเป็นบุตรชนอีกแล้นะงั้นโดอย่าไปเชื่ออะไรที่ง่ายเกินไป สังเกตกิเลสตัวเองเอาไว้หนะรวงพ่อไม่อยากไปวิจารณาสำนักอื่นหรอกแค่จนยะ์เจ้าคะเรคือตอนนี้ไม่ดูจิตตัวเองรู้สึกดูไม่ค่อยได้ไม่ได้หรอกแล้วต่อไปหนูดูกายกายก็จะนิ่งๆเพราะจิตหนูผิดแ้วหนูควรจะแก้ปัญหายัางไงดีคะหนูห น, หนูไปดูที่ใจที่โลกหนูคอยรู้ทันกิเลสไว้ ใ่มันโรคมันอยากดีมันก็เลยไปบังคับตัวเองนี่ยังฝึกน้อยนะยังฝึกน้อยถ้าฝึกมากอันนี้ในสัมาัสป้ายาวไปยิ่งกว่าป้ายาวก็มีนะที่หกสิบปีรู้สึกท่านยังอยู่ยังอยู่ไหมไม่ทราบค่ะไม่ทราบแล้วเนาะหนีเลยเนาะยัไม่ทราบพอหกสิบปีค่ะอ้า เอาวกลับไปอปจะส่งมันบ้านเบอร์สิบเอ็ดเนี่ยป้ายาวรีบยกก่อนเนะี่ยป้ายาวอยากเล่าประสบการณ์เบอร์สิบเอ็ดเบอร์สิบหกเบอร์สี่เบอร์ยี่สิบสองอ่าเบอร์สิบเอ็ดป้ายาวเนี่ยชื่อเป็นมงคลนะอาอยุป่านนี้ก็ยังยาวอยู่น้ำมัสกายนะหลวงพ่อถามปัญหาสองคำถ า, ามกันอันที้หนึ่งยอมเนี่เริกแย่งเนี่ย อันที่สองหยิ่งย ม, ยมเลิกโรคหรือยัดีขึ้นมากแล้วดีขึ้นเยอะเลยแก้ยากนะไอ้หนูแก้กะทีรวบสิบปีนะเกินค่ะหลวงพ่อก็ป้ยาวระดับอาจารย์นะมก็ต้องหนักหน่อยป้ายาวรู้สึกไหมอย่างขณะนี้มันยังเหลือตัวนิ่งอยู่นิดหนึ่งยมไม่รู้สึก เรื่องโกนิจจะยังรู้สึกว่าในจิตโยนเนี่ยมันมีน้ําหนักใช่ะนนั้อย่างนั้นก็เป็นการสังเกตที่ดีอย่างหนึ่งนะยังมีน้ําหนักอยู่เนยังมีการยึดถืออยู่ยังมีการปกครองอยู่แต่ว่าเหลือ น, นิดเดียวนะ ค, ค่อยๆรู้สึกไปแล้วเรื่องรวบจิตรวบไม่รวบเท่าไหร่ล ะ, <น>ะคลายออกไปยุ่งละสังเกตไห้ใจมันเริ่มผ่อนคลายแต่มันยังเหลือ้ติ่งอยู่นิดเดียวเท่านี้แหละ พขาก็แกยากนะชาตินี้จะทันหรือเปล่าไม่ทราบหมือพ่ออะไรนะชาตินี้จะทันไหมคะอย่างนี้อย่าถามดีกว่าถ้าบอกว่าทันนะก็จะประมาทถ้าบอกว่าไม่ทันก็จะท้อใจงั้นเราอยู่กับปัจจุบันดีที่สุดไม่ต้องถามแพทย์แถนอนานคตเบอสิบห ก็ยาวน่ะดีขึ้นเยอะแล้วมันเหลือสิ่งที่เพ่งออกไปนิดเดียวเท่านั้นเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยมั น, นจะรวบเข้ามาเหมือนตั้งใจฟังนะใช่ใช่ตรงที่ตั้งใจนะไปรวบเข้ามาอะไม่เอาเลยรวบเข้ามารู้ทานว่ารวบเข้ามาตัวอย่างนี้ไปเรื่อยๆบางคนหลวงพ่อก็แก้ให้ไหวนะอีหนู <c oughs> บางคนหลวงพ่อก็แก้ไม่ไหว ไม่ว่าจะสายไหนเท่านั้นนะเมื่อก่อนนี้มีลูกศิษย์โลกุเทสนะโลภุเทศเป็นครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อท่านทภาวนาดีที่สวนองค์หนึ่งนะแต่ว่าคุณยายคนนี้ต้องเรียกระดับคุณยายไม่ใช่ระดับคุณป้าไม่ใช่ระดับป้าเยาว์นั่นระดับคุณยายอายุแปดสิบเจ็ดมหาหลวงพ่อที่สวนโพแล้วบอกว่าได้ฟังซีดีหลวงพ่อ เรารู้ว่าตลอดเวลาหลายสิบปีที่ทํามาเนี้นะติดสมาธิเพ่งอยู่เฉยๆขอให้หลวงพ่อช่วยแก้ให้เพื่อจะเดินปัญญาจะได้พ้นทุกหลวงพ่อดูแล้วหลวงพ่อแก้ไม่ทันอายุเยอะมากแล้วก็ติดเพ่งมาหลายสิบปีแล้วติดเพ่งไปอย่างน้อยหกสิบกว่าปีเนี่ยไม่ธรรมดานะแล้วถ้าแก้ออกมาได้เนี่ยจิตจะจฟุ้งซ่านมากกว่าคนปกติ เพราะที่ติดเท่งเนี่ยอารมณ์จะร้ายนะติดเท่งเนี่ยเหมือนจะดีแต่ว่าพอหมดแรงเท่งเมื่อไหร่จะร้ายกว่าคนปกติถ้าหากว่าเราแก้ไปแล้วจิตร้ายขึ้นมาแล้วตายตอนนั้นเนี่ยไม่ปลกอบายหลวงพ่อเลยแนะนําว่าคุณยายทํากรรมฐานอย่างที่ทำนั่นแหละทําความสงบไปนะแต่อย่าให้ขาดสตินะให้รู้สึกร่างกายไว้ให้มีกายไว้ตลอดเวลา อย่าพอวนาจนร่างกายหายไปอันนี้เป็นอบายนะเพอจะว่าพอตายไปแล้ ว, วคุณยายจะได้เป็นพรหมมีรูปเป็นพรหมที่มีรูปแล้วต่อไปพอพระเมตไตรมาตรสรู้เนี่ยคุณยายจะได้มาฟังเทศน์ได้ให้พระเมตไตรแก้ให้เดี๋ยวท่านก็แก้ให้เองแต่ถ้าคุณยายไปเป็นพรหมไม่มีร่างกายไม่มีตาไม่มีหูพระเมตไตรตรัสรู้พรหมนี้ก็ไม่รู้ นั้นอย่างอาราัรตา์ า, ตาบดุทักระดาบดเนี่ยไดอรูปไดอารูปประชานนะตายแล้วเป็นอารูปอรรมคู่นี้กิเลสเบาบางสมาธิดีแต่ว่าเดินปัญญาไม่เป็นจิตเท่งสงบว่างไปเฉยหมดความรู้สึกไปไม่มีร่างกายตอนที่พระพุทธเจ้ า, าตรัสรู้เนี่ยท่านคิดถึงคู่นี้ก่อนเลยถ้าคู่นี้ยังไม่ตายท่านจะไปเทศโลดแล้วจะไดธรรมะอย่างรวดเร็วเลย แต่ปรากฏว่าท่านพิจารณาแล้วคู่นี้ตายแล้วเอไปเป็นปลอที่ไม่มีร่างกายท่านก็อุทานขึ้นมาบอกว่าดาวบทสองคนเนี้ยพลาดจากคุณอันใหญ่ละพลาดจากคุณอันใหญ่คือพลาดจากโอกาสที่จะได้มรกได้ผลละเคยฝังท่าจาก พ, พุทธาตุท่านอาจาก พ, พุทธทาตท่านหลอกพ่าพุทธเจ้าอุทานว่าชิบหายแล้วชิบหายไปแล้ว คือพลาดจากคุณอันใหญ่โอกาสที่จะได้มาผลไม่มี p ไปติดมันก็ติดเพ่งเริ่มมาจากเพ่งนิดนหน่อยน่อยอย่างหนูนี่แหละนะแต่ไปเมื่เพ่งเก่ง v e อร e สิบหกเออครั บ, ร บ, รบไหนไหนเห็นว่าฟงตาเ๋ยวๆอยู่ไหนยกมือว่าไปอ๋อก็อบเหรอครับเห็นเห็นว่าฟุ้งานก็ไม่เป็นไรตอบ ถ้าคือจิตจตื่นเต้นหลวงพ่อตอบไม้เลยก็แล้วกันจิตองก์กรใช้ได้แล้วนะจิตดีขึ้นมากเลยแล้วก็จิตตั้งมั่นเกินฐานออกมานิดเดียวพราะตอนนี้เตื่นเต้นแล้วก็ออกมาอยู่ที่หลวงพ่อรู้สึกไหมรู้ไปเรื่อยๆนะที่พาวนานี้ใช้ได้นะแต่ถ้าจิตไม่ตั้งมั่นปลอดเกินออกไปนิดนึ่งแล้วก็ขันหน้าของเรานี้แยกอมดแล้วนะ ข <c oughs> ันมันแยกได้แนละ้วต่อไปเราเห็นไหมว่าขันมันทำงานได้องนะ <c oughs> <c oughs> เห็นแล้วนะทำถูกแล้วกนะารเลือกพบกัลยาณมิตรสำคัญนะถ้าเราไปพบพราติดเท่งหรือติดจิตว่างๆจิตสบายเพลินๆเราก็จะเป็นคนแบบนั้นไปนี่เรามาฝึกตัวเองให้ใจตั้งมัน่นนะอย่างนั้นแหละดี เราจะได้ข้าวหน้าอเราไปเบอรอสี่ <c oughs> อยู่หลังนำมัสการหลวงพ่อครับฟับงซีดีหลวงพ่อมาปีห้าห้าครับเริ่มปี5้าห้าก่อนเข้าพรรษาแล้วปีนี้ในพรรษานี้ตั้งใจตรวจมนทำวัดเช้าเย็นแปลแล้วก็เมื่อเมื่อวันศุกร์ ที่แปดที่ผ่านมาเนี่ยขณะฟังซีดีหลวงพ่ออยู่ อ, อก่อนก่อนหน้าเนี้ยเวลาสวดมนต์ธรรมวัดเนี่ยก็จะเห็นจิตจิตหลายทิคิดแล้วก็คิเดเยอะครับไหลายทิคิดหนึ่งกลับมาหลายทิคิดหนึ่งกลับมาเห็น่เห็นได้ชัดในขณะที่สวดมนต์ธรรวัดรแล้วก็เมื่อวันศุกรที่แปดช่วง บ, า บ, าบาา่ายๆขณะนั่งฟังซีดีหลวงพ่ออยู่หลวงพ่อเทศเรื่องถ้ายังเห็นว่ากายไม่ใช่เราเนี่ยมันมัน มันเป็นเรื่องง่ายสําหรับคนทั่วไปแต่ถ้าเกิดพระจิตไม่ใช่เราเนี่ยอืเป็นเรื่องยากต้องต้องฟังพุทธศาสนาแล้วขณะนั้นน่ะจิตมันก็แวบคิดถึงตอนสวดมนต์ที่เคยเกิดจิตไหลไปแล้วจะกลับมาแล้วก็ไหลไปคิดถึงตอนที่หลวงพ่อเทศที่ฟังต่อหน้านี้มาตลอดหลแล้วจิตมันก็คล้ายๆว่ามันดับมันมันดับลงแล้วมันก็สรุปว่าเอ้าจิตจิตมันไม่จิตมันไม่ใช่เราเป็นนั้นนะมันควบคุมไม่ได้มันเป็นของมันเองแต่ถ้ามันเอง มันเห็นชัดเจนมากแล้วก็มันควนก็มาบอกว่าถ้าตาแต่ยังไม่เห็นว่าจิตไม่ใช่เราเนี่ยยังยังยังไม่เข้าใจอืยังไม่เข้าใ จ, าใจถูกมันมันก็มันก็สรุปเลยครับว่าไอ้ที่ที่ที่เราเห็นเนี่ยมันมันใช่แล้วแล้วขนาดเดียวกันเนี่ยมันก็คิดไปถึงว่าอ้าวแล้วจิตไม่ใช่เราแล้วจิตเกิด ไหนดับตรงนั้นมันแค่เป็นความรธธู้สึกเฉยอืมมีอยู่ตัวตรงไหนก็ได้เกิดตรงไหนก็ได้อืมแล้วคุณงานปวามดีนี่ว่าสิ่ ง, งต่างๆที่เราได้ปฏิบัติสะสมมาขณะจิตเกิดแล้วก็ดับไป ม, น ม, นมนันมันส่งทอดความมีงานไปยังไงออืม่าจิตมันก็ย้อนขึ้นมาไรเทนะีอบอกว่ามันเหมือนจิตเนี่ยมันเป็นกระแสรับรู้อยู่ทั่วทุกอนุทุกในจักรวาลเนี้ยไม่ว่ามันจะเกิดดับตรงไหนมันก็คือ คือเื้อจิตอันนั้นแหละอมีมีข้อมูลอยู่พบเปลียบเปลี่ยนไม่หายไปไหนแล้วจิตมันก็สอนอีกว่ามันเปรียนให้เห็นว่าเหมือนกับเป็นเป็นน้ําทะเลอ่ะอืมจิตเป็นน้ําทะเลเราไปตรงไหนก็ได้คือคุณสมบัติของน้ําทะเลไม่ว่าจะเป็หยิบที่ประเทศไทยที่ไหนทั่วโลกเนี่ยมันก็มีคุณสมบัติเดียวกันอืมเนี่ยแล้วจิตมันก็สรุปสรุปประมาณอย่างนี้ครับผมเออมันฉลาดอยู่ มันมันไปเห็นความจริงบางส่วนนะแต่มันไม่รัก <c oughs> มันยังไม่วางหอกไปดูอีก <c oughs> อย่าให้ปัญญาล้าหน้านะ <c oughs> บางทีเราจเจริญปัญญาอยู่เนะี่ยสมาธิเราไม่พอรู้สึกไหมจิตยังขาดสมาธิอยู่ใช่พอ <c oughs> สมาธิไม่พอเนี้ยวิปัสสนู ป, ปกิเลสจะเกิดขึ้นน้ําจะเกิดความรอบรู้แตกฉานอะไรเยอะๆเลยเพราะ น, นวิธีการที่เราจะทําต่อไปนี้นะ เรารู้ทันว่าจิตเนี่ยกระจายออกไปจิตเมือกลับมาตั้งมั่นพอจิตตั้งมั่นเนี่ยอาการเหล่านี้จะหายไปงั้นแต่ฝึกให้จิตตั้งมั่นนะให้จิตถึงฐานมันเป็นวิปสัสสนูใช่ไหมครับใช่ต้องเพิ่มสมาธิใช่ใช่ถ้าจิตถึงฐา น, นจริทีริจะหายเลยนะครับวิปัสสนูสิบอย่างเนี่ยนะถ้าจิตตั้งมั่นจริงจิงแล้วหายหมดเลยสิบอย่างนะ ก็ดีนะิปัสสมันเกิดวิปั ส, สนาได้เนีย่ยแต่ว่าเริ่มมีปั ส, สนาลนะในวิสุทธิเจ็ดนะมันเริ่มจากศีลวิสุทธิมีศีลนะโดยมีเป้าหมายไปเพื่อความบริสุทธิ์นะเพื่อความบริสุทธิ์หลุดผลมีทิฏฐิวิสุทธิมีศีลวิสุทธิมีจิตวิสุทธิจิตวิสุทธิคือมีสมาธิที่ถูกต้องใป็นสมาธิเพื่อจะเดินปัญญาไปสู่ความบริสุทธิ มีทิฏฐิวิสุทธิ์วิสุทธิทิคือเรารู้ว่าในความเป็นจริงแล้วตัวเราไม่มีกระจายออกเป็นรูปเป็นนามนะยยกรูปแยกนามได้ตรงที่ทิฏฐิวิสุทธิ์ทิเนะี่ยเราไปมถึงกังขาวิตรณะวิสุทธิก็นะ ค, คือสามารถรู้ว่ารูปแต่ละรูปนามแต่ละนามมีเหตุให้เกิดนะไม่ใช่ไม่มีเหตุไม่ใช่เกิดลอยลอยตรงนี้ยังไม่ขึ้นีิปัสสนานะ แล้วถัดจากนั้นเนี่ยมัคคามัคคาย า, านาทัศนะมิสุนรู้ว่าอะไรเป็นทางอะไรไม่ใช่ทางตัวเนี้ตอนที่เราเห็นสภาวะทั้งหลายเกิดดับไปเรื่อยๆนะแล้วจิตมีสมาธิไม่พอวิปัสสนูเกิดพอวิปัสสนูเกิดแล้วเรารู้เท่าทันจิตตั้งมั่นขึ้นมาวิปัสสนูดับไปเราก็จะรู้ว่าถ้ายังหลงอยู่กับวิปัสสนูเนี่ยไม่ใช่ทางถ้าเลยวิปัสสนูไปแล้มีสมาธิ ที่ถูกต้องมีสติระลึกรู้รูปนามอย่างถูกต้องนะเดินมิปัสนาอย่างถูกต้องนี้ถึงเป็นทางนนี้เรียกว่ามักขามักคายานทัศนวิสุทธ์นะแล้วถัดจากนั้นถึงจะลงมือปฏิบัติเรียกปฏิปทาญาณทัศนะวิสุทธ์นะจนกรทั่งได้ญาณทัศนะที่วิสุทธิขึ้นมางั้นของเราตอนนี้เราเริ่มมาถึงจุดที่ว่ามันอันไหนเป็นมักอันไหนไม่ใช่มักอย่างตอนเนี้ความรู้แตบฉานเนี่ยไม่ใช่มักความรู้นี้มากเกินไป เกินใบไม้หนึ่งจับมือแล้วเป็นใบ ไ, ไม้ทั้งปากละอันนี้งั้นเราโยนทิ้งไปกลับมาตั้งมั่นขึ้นมาแล้วมารู้รู้รู้นำใหม่รู้สึกไหมว่าจิตขนาดนี้ดีกว่าตะกี้ครับเห็นไหมจิตมันเปลี่ยนไปแล้วอย่างนี้ใช้ได้นะเนี่ยอย่างเนี้ยจิตมันเริ่มมีสมาธิขึ้นมาอย่างนี้สมาธิอย่างนี้เพ่งเอาอย่างนี้ไม่ดีอย่างตะกี้ละรู้สึกไหมรรเราไม่ไปเพ่งอนะเอานณมันเป็นธรรมชาติยี่สิบสอง พวกเราที่เริ่มหัานนะขอไวพรให้เกิดวิปัสสนูเร็วๆนะมันจะได้ผ่านๆไปบางคนบอกไม่เป็นเลยวิปัสสนูมีแต่นิมิตนิมิตเนเกิดจากสมถะวิปัสสนูเกิดจากวิปัสนาเ้าสมาธิไม่พอว่าไปเบอร์ยี่สิบสองเห็นไหมอยู่ไหนงานนมันส ก, การหลวงพ่อปาโมปาโมโท ออวัดสวนสันติธรรมบุประชาชื่อพระราชบรคุณทําไงขอโอกาสเจ้ า, าค่ะเออคือมีปัญหาตรงที่ว่าเหมือนยังติดเสียงอยู่ฮะหลว ก, ก็อย่างอะไรนะยังติดเสียงกําติดเสียงเสียงมันดังในใจนะใช่ใดังที่จิตแค่รู้ทันตรงนี้จิตที่ไม่ชอบเสียงที่เกิดขึ้นในจิตนะมันจะเกิจดจะอะไรก็ช่างมันเถอะ แต่พอมันเป็นมันเกิดขึ้นมานะมันก็คือสภาวะธรรมอย่างหนึ่งที่จิตไปรู้เข้าเมื่อจิตไปรู้เข้าแล้วจิตไม่ชอบให้รู้ว่าจิตไม่ชอบนะต่อไปจิตจะเป็นกลางอาเกียณนะแล้วก็สมถะที่ทำรู้สึกเหมือนผ่อยหระไม่พอจิตฟุ้งซ่านเพราะงันะ้นเราทําสมถะเรื่อยๆวิธีทําสมถะที่แม่ชีทําอย่างคลาดเคลื่อนอยู่นิดหนะึ่ง คือไปเริ่มต้นด้วยการบังคับจิตให้นิ่งๆอย่าไปเพ่งจิตนะโรัค่ะอา้าวทำสมถาสิจิตไม่เปลี่ยนนะจิตเหมือนตอนนี้เลยจีแรนไปคิดทราบไหมเห็นเห็นเออได้แหละเวลาหลวงพ่อถามก็ตอบได้นะแต่ก็ถ้าที่ลูกเห็นภาวะาทรมเกิดที่กลางหนะ้าอก เระเบิดตรงตามไม่เรเออเป็นนิมิตนะเป็นนิมิตเออยังไม่ละหรอกยังไม่ละจิตเรายัางพุ่งอยู่สมาธิเรายัางไม่พอ <c oughs> เป็นนิพพานุบะคุณ <c oughs> <c oughs> เป็นนิมิตให้ไปทาสมาธิเพิ่มใช่ทำสมาธินะแม่ชีพุโทโตพุโทโตพุโทโตไปเรื่อยๆ พุทโธแล้วก็รู้ทันใจตัวเองไปนะพุทโธพุทโธแล้วลำคาญรู้ว่าลำคาญพุทโธแล้วสบายใจรู้ว่าสบายใจนะตัวอย่างนี้ได้ขอบคุณเจ้าการตอนนี้ได้เก้าโมสี่สิบห้าตามเวลานัดหมายนะกะทีงราชการกรงเพอว่าไปค่ะลุก่นเนนะคะแล้วไง ยายจะเรียนถามผมเพราะว่าบางครั้งมันก็ได้ยินเสียงได้ ย, ยินเสียงเหมือ น, นกันได้ยินเสียงจากภายนอกก็มีจากภายในตัวเราก็มีอย่างเงี้ยค่ะได้ยินคนอื่นคิดไหมอย่างคนเขาคิดแล้วเราได้ยินหปล่าหรือได้ยินเสียงอย่างอื่นได้ยินเสียงค่ะหรอไม่หลอนนะเพราะงั้นพุโทธโธพุทโธไว้ไม่เอาเสียงนะค่ะนะให้จิตตั้งมันม่นขึ้นมาจริงเดี๋ยเสียงก็หายค่ะ ก, ก็คือ เอาเชนกลับบ้านแล้วขอความร่วมมือช่วยยกยกอะไรอาสนะเอายกเสือถอยหลังไปเดี๋ยวขอดูกล้าก่อนนิมนต์กลับบ้านเลยครับนินมนต์แน่จารย์